Book 2 5ห3าสิสาทรีินพซตร้านค้าออคเรากาลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาอิสทร์กอวิ สปอร์ตนี่มีพ r ทริปชินามเรากำลังมองหาร้านขายเนื้ออิสเชโมเมซาริโเรากำลังมองหาร้านขายยาอิสเชโมเลคาร์นเราต้องการซื้อลูกฟุตบอลราดิบินามเรชคูปิลี o g o m e t n นโ o g o เราต้องการซื้อซาามีราดีบนามเรชค p i Radi, l ลิซาล mo เราต้องการซื้อยาราดีบินามรชคู l ิลิสทราวลเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล อิสต์โม่ทรกววินาส์ส์สปร์ตนิมิ้ปทรรบชจินามิ้ดาบิคุบิลินโงโงเม็ทนกเรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามอิสต์โม่เมซริโอดาบิคุบเรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาอิสต์โม่เลคา dra ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับอิสเชมซลาตาริอาดิฉันกำลังมองหาร้านาาขายอุปกรณ์ถ่ายภาพอิสเชมท govino โนสฟอโตมาตเรียลอมดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนชคูปิตีเพรสตอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพชคูปิอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก โคเชมนามเรจคูพีทิทอร์โตดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนอิชเชมซลาาราดาบคูิวเอร์สตันดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์มอิชเชมทอร์โกวีโนสฟอโทมาเทเรียลอมดาบคูิว ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก。